วิจิตรานี้จึงเป็นโทษมากในกิจการเป็นอันมากที่ถมลังเลลังเลอยู่แล้วก็เป็นอันว่าทำอะไรไม่ได้ทำให้ไม่ทันการไม่ทันเวลาและมีเหตุการณ์เป็นอันมากที่จะต้องตัดสินใจสับฉับพลันแต่ว่ า, ามีวิจิตราอยู่แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ขาดข้อตกลงใจทำให้เป็นอันว่า ล่วงขณะไปซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าผู้ที่มีขณะล่วงไปแล้วย่อมเศร้าโศกคือย่อมเป็นทุกข์ดังนี้ก็วิจิกิจฉานี่เองเป็นข้อสําคัญก็เหมือนยังเดินทางไกลไม่รู้จักถึงกันสักทีหนึ่งฉะนั้นเมื่อเปลืงวิจิกิจฉาเสียได้ก็เป็นอันว่าเดินทางถึงกันสักทีหนึ่ง การปฏิบัติเรื่องจิตตากนิวรณ์ทั้งห้านี้นับเป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่หและรูปฌปานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อีกสี่ข้อรวมเป็นสิบพระพุทธเ จ, จ้าตรัสว่าเป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาไว้เองในอัมพัตพุทโธ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 ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงประพุทธคุณนำในบทวา่าวิจารเจรณะสัมปันโนประภูมิประภาคเจ้านั้น ทรงเป็นภูถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้แสดงวิชาและจรณะมาตอนหนึ่งแล้วจะได้แสดงในข้อวจจรณะ ตามที่ท่านพระอ น, นุนได้แสดงที่พระธรรมสังคาหากาจาร์ร้อยกรองไว้ในเสขาพละสูตรซึ่ง มีความโดยย่อว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจา้าทรงได้รับเธวรเสด็จไปประทับเป็นครั้งแรกในสันทาคาร คืออาคารอันเป็นที่ประชุมของเจ้าสักยะในกรุงกบิลละพัทซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่ยังมิได้ใช้สอยพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่สงก็ได้เสด็จ ไปประทับที่สันถาคารได้ตรัสแสดงธรรมแก่เจ้าสักยะทั้งหลายเป็นอันมากแล้วได้โปรโดให้ท่านพระอานนท์ แสดงเสขะปฏิปทาแก่เจ้าสักยะทางหลายต่อไปพระองค์ก็ได้ทรงประทับพักพรพระอิริยาบถโดยสีหสยยา ทันพระอานนท์จึงได้แสดงเสขปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นเสขบุคคลหรือข้อปฏิบัติของเสขบุคคล อันเสขบุคคล น, นั้นก็หมายถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมาจนถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตธรรมตามสัพเพเสขะ ก็แปลว่าภูศึกษาแต่เสขะคือภูศึกษาในพุทธศาสนานั้นมีความหมายสูงดังที่กล่าวส่วนที่ต่ำลงมาคือยังไม่เป็นโซดาบันบุคคล ยังเป็นมุทุชนเรียกว่าเสขะก็ไม่ใช่อะเสขะก็ไม่ใช่และท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผล เป็นพระอระหรันต์จึงเรียกว่าอาเศคาะที่แปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาคือเป็นผู้จบการศึกษาแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้รับพระพุทธบัญชา แสดงเสขปฏิปทาสิบห้าประการแก่เจ้าสักยะทั้งหลายและในตอนท้ายก็ได้กล่าวว่าเสขปฏิปทาทั้งสิบห้าประการนี้ก็เป็นจรณะ คือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชาเพราะฉะนั้นในการแสดงอธิบายจรณะในพระพุทธกุลบทนี้จึงมักจะยกเอาเจรณะสิบห้าตามที่ท่านพระอนนท์ได้แสดงดังที่เล่ามา กันโดยมากจรณะหรือเสขปฏิปทา15ประการนี้ก็คือสีละสมปทาถึงพร้อมด้วยศีลอินทรียสังวร ความสำรวมอินทรีโฮเชเนมัตตัญญตาความรู้ประมาณในพัฒตาหารชากริยานุโยกความประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่นี้สี่ประการและ สัทธรรมอีกเจ็ดประการอันได้แก่ศรัทธาฮิริอตตปะภาหุสัจจะวิริยะสติและปัญญา รวมเป็นเจ็ดประการกับรูปประชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อีกสี่ประการก็รวมเป็นสิบห้าประการและโดยที่ได้แสดงจรณะสิบประการมาแล้ว ตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเองเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงอธิบายไปแล้วหลายข้อจึงจะไม่แสดงอธิบายข้อที่ซ้ำกันสีและสัมปทาถึงพร้อมริศีลกับอินทรียสังวร ความสำรวมอินทรีย์ได้แสดงอธิบายแล้วโภชเนมัตตัญญาความรู้ประมาณในพัฒตาหารท่านสอนให้พิจารณาอาหารที่บริโภคในขณะที่กำลังบริโภค ตามหมดปฏิสังขาโยที่พระสุดกันอยู่ซึ่งมีความโดยย่อว่าบริโภคพัตตาหารก็ไม่ใช่ว่าเพื่อเล่นไม่ใช่ว่าเพื่อมัวเมา มิใช่ว่าเพื่อเปล่งปรั่งประเทืองผิวแต่ว่าบริโภคผัตตาหารก็เพื่อที่จะบำบัดความหิวระหายและป้องกันไม่ให้ เกิดเวทนาที่เป็นทุกข์และเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อดำรงกายให้เป็นไปนี้เป็นใจความโดยย่อซึ่งรวงความเข้าแล้วก็เป็นการพิจารณาว่าบริโภค เพื่อที่จะธนุบำรุงร่างกายเพราะร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้และดำรงร่างกายอยู่ก็เพื่อว่าที่จะประพฤติพรหมจรรย์คือปฏิบัติตามรธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เพื่อตัณหาอิเลสต่างๆและเมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดหรือไม่ส่งเสริมระสะตัณหาตัณหาในรถ บริโภคเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ที่ต้องการคือเพื่อดำรงร่างกายดำรงชีวิตให้เป็นประยุเป็นประยุนททำไมก็เพื่อที่จะประพฤิพริมจรรันทร์ระำกิจตามระธรรมวินยัยประกอบกิจที่เป็นประโยชน์ เมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้การบริโภคนั้นเป็นไปพอเหมาะพอควรไม่น้อยไม่มากเกินไปเท่าที่ร่างกายต้องการไม่ถือเอารสอร่อยเป็นที่ตั้งคือไม่ตามใจลิ้น และเมื่อพิจารณดาดังนี้แม้ว่าอาหารที่บริโภคจะมีรสไม่ถูกปากไม่ถูกลิ้นก็จะสามารถบริโภคได้เพราะไม่ติดเพราะเมื่อไม่ติดอยู่ในรสไม่ติดอยู่ในราสัตตันหาแล้วการบริโภคก็เป็นไปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ ไม่ใช่ว่าจะต้องเที่ยวแสวงหาอาหารที่มีรสตามที่ชอบถ้าไม่ได้ก็ไม่ยอมที่จะบริโภคหรือบริโภคแต่น้อยถ้าได้อาหารที่มีรส ถ, ถูกปากที่อร็จอร่อยก็บริโภคเสียใหญ่และไม่เป็นเวล่ำเวลาอันสมควร ดังนี้เรียกว่าไม่รู้ประมาณในพัฒตาหารแต่เมื่อรู้ประมาณในพัฒตาหารด้วยการพิจารณาดังกล่าวก็จะทำให้การบริโภคอาหารเป็นไปโดยถูกต้องพอเหมาะพอควรเพื่อดันรูดดำรงกายให้ดำรงอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ดังนี้ ภาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ที่ท่านแสดงอธิบายไว้ก็คือว่าในเวลากลางวันก็นั่งบ้างเดินบ้างที่เรียกว่าเดินจงกรมชำระจิตของตน ให้บริสุทธิ์ของแพ้วจากกิเลส ท, ที่เป็นเครื่องกั้นใจทั้งหลายคือเป็นเครื่องกั้นไว้มีให้บรรลุสมาธิและปัญญาในเวลากลางคืนในปฐมมายาม ก็นั่งบ้างเดินบ้างเปลื่องจิตให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากกิเลสเป็นเครื่องกั้นทั้งหลายในมัจจิมยามของราตรีก็พักด้วยการนอนโดยสีหะสัยยา คือ น, นอนตะแคงเบื้องขวาและทำสติที่จะลุกขึ้นที่จะตื่นขึ้นและก็ตื่นขึ้นในปัจจิมยามของราตรีก็นั่งบ้างเดินบ้างํำระจิต ให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตทั้งหลายนี้ท่านแสดงถึงวิธีปฏิบัติเป็นเครื่องตื่นอยู่อย่างเต็มที่แม้ว่า จะไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ดังนี้เอาเพียงปฏิบัติตามที่ท่านแปลคำนี้ไว้ว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ไม่เห็นแก่นอนมากนักและเวลาที่ตื่นอยู่ก็ ต้องคอยทำการเปลื้องจิตปฏิบัติเปลื้องจิตจากกิเลสเป็นเครื่องตันม่ให้จิตได้สมาธิได้ปัญญาโดยตรงก็คือนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองคอยําระจิตอยู่เสมอจากนิวรณ์ทั้งห้าคือกามฉชั้นความพอใจรักใครในกาม พยาบาทความหงุงดหงิดขึงเครียดโกรธแค้นขัดเคืองม่งร้ายหมายลังพผลนทีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคริ้มอุทธจักกุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจชาความเคลิ่แปรสงสัยต่างๆปฏิบัติดังนี้เรียกว่าเป็นชาคริยานุโยก ก็รวมเป็นสี่ข้อส่วนสัตธธรรมเจ็ดนั้นสัตธธรรมก็แปลว่าธรรมะของสัตบบรุษคือภูสงบร่ำงับหรือธรรมะของคนดีธรรมะที่ดีอันได้แก่ศรัทธาคือความเชื่อ และความเชื่อในพุทธศาสนานี้ต้องการความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ซึ่งเรียกว่าเป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือว่าเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่ควรเชื่อ และจะมีศรัทธาดังนี้ได้กตญญ็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ญาณพิจารณาให้รู้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อและสำหรับพุทธศาสนิกชนศรัทธาที่ต้องการเป็นข้อสำคัญ ในฐานะเป็นพุทธสาวกก็คือตถาคตโพธิสัตว์ความเชื่อความตัดสรุรูของพระตถาคตพุทธเจ้าซึ่งความเชื่อดังนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการที่มาเจริญพุทธานสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า และให้รู้จักพระพุทธคุณดังที่สวดกันอยู่ว่าอิติปิโสภะวาอารหังสมมาส ม, มุโทโธเป็นต้นดังที่กำลังแสดงอยู่นี้ดลึกถึงพระพุทธคุณ ให้มีความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธคุณแม่บทใดบทหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ได้ตถาคตะโพธิสัตทามากขึ้นมากขึ้นและก็จะทำให้ได้ศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงได้แนะนําศรัทธาอีกสามข้อไว้ก็คือกรรมศรัทธาความเชื่อในกรรมวิปากศรัทธาความเชื่อในผลของกรรมกรรมมัตสกตาศรัทธาความเชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เมื่อมีศรัทธาอันมีลักษณะดังกล่าวนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสธานในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ปลูกศรัทธาให้มีขึ้นฉะนั่นแม้ข้อศรัทธานี้ก็เป็นข้อที่ผูปฏิบัติธรรม จะต้องมาพิจารณาดูที่ศรัทธาคือความเชื่อของตนมาเป็นไปถกูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เชื่อหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าในหลักของศรัทธาตามที่กล่าวมานี้ก็เชื่อว่ายังไม่เข้าหลักของศรัทธาตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ ยังเป็นศรัทธาอาจจะเป็นของตนเองที่มีมาตามสัญดาณหรือว่าจากคำแนะนำของผู้อื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นแม้ข้อศรัทธานี้ก็ต้องเป็นข้อที่ทุกๆคนจะต้องปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติศรัทธาของตนให้ถกูกให้ตรง อันนับมาเป็นอันดับแรกและมเมื่อมีศรัทธาตรงแล้วก็จะทำให้เป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายอื่นๆต่อไปจึงถึงสับปริสธรรมหรือว่าสัทธรรมอันเป็นข้อที่สองที่สามก็คือฮิริความละอายใจต่อความชั่ว อตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วก็คือต่อผลของความชั่วคดีอดตปะนี้พันแสดงว่าเป็นเหตุใกล้ของศีลเมื่อมีคริอตปะอยู่ก็ย่อมจะทำให้มีศีลได้ศีลก็จะมีสืบจากคริอตปะเพราะฉะนั้น กิริอตตปนี้จึงเป็นธรรมะสำคัญจนถึงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นโลกกรบานคือเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกและต่อไปก็คือพาหุสัจจะนี่แปลว่าความเป็นภูที่ได้สะดับมาก ในทางพุทธศาสนาก็คือความที่ในสะดับรับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วได้ทรงกล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในทรามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะคือเนื้อความ ร่มทั้งพยัญชนะคือถ้อยคําเป็นธรรมะที่กล่าวประกาศพรหมจันท์คือพระศาสนาบริบูรณ์คือครบถ้วนไม่มีบกพร่อง บริสุทธ์ก็คือถูกต้องไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิงก็คือทั้งหมดก็ตั้งใจสะดับรับฟังตั้งใจเรียนธรรมะที่พระพุทธเจา้าตรัสไว้ดีแล้วเหล่านี้ทองบนจำทรง สั่งสมด้วยวาจาก็คือว่าให้คลองปากจำได้ด้วยใจด้วยแล้วให้คลองปากด้วย